เธอเคฟังว่าพระก่อนนั้นพูดถึงเรื่องนิอวรอนหาจ่วนจะง่าเข้าใจกันมั้งจริงแั้เนื้อตัวส่วนเราแต่คนานคำศัพท์ที่ว่านิอวรนหามันส่นบัญญาติต่างหา แค่ที่ยื่นมาอยู่ในตัวของเราแท่ทุกข์ทั้งกลาวทั้งเรื่องอุปสรรคเรื่องสขาวนิฆาสขาวอนมะขาวอ น, าาวอนคือเป็นนิอวอนของมักของชานทั้งนั้น ถ้าเหตุกาไม่ชันทะเบื้องต้นมันเป็นเรื่องของโลกนันเป็นจิดกันจัวเมตสักของการทาฌานทามัดพุ น, นิภานคาว่าฌานเนี่ยคำว่ า, า, ววาโลพิงะ สับโลกตุตระคือ ท, ทางที่เข้าไปถึงโลกตุตระได้เจานาในธรรมะข้านี้มิบ่อน มันเป็นเรื่องของโลกมันได้จีดกันไว้แม้เขาถึงทานแม้เขาถึงมักใด้ทนถึงเลือกนไว้ก่อนหายจากการมฉันทะความพอใจเงินดีจิดใจเพิดเพลินสนุกสนั้น มวล ส, ส, สื่อเนมือนกับกาบมันยังเ็นเหตุผิดกันในข่า ว, า ว, าวาาทิการแลเข่าวทิมัาแท้จริงมันเป็นชื่อต่างหากแบบนิวอ่านนิวอนอนกันแท้จริงมันในตัวของเราทุกคนมีนนนทั้งนั้นมวลกามาฉันทานิวอ่อ พยาบาตความอาฆาตจ้องล้างจองพัดซึ่งกันและกันครั้งนี้มีกาไม่ฉันแล้วผู้ใดที่มีพูดทดังเรื่องการสติปัตย์จงพูดถึ้งเรื่องพยาบาลในที่อื่นพยาบาลในตัวเองถ้าไม่เสื่อมเสีย เรียกพิคนทาให้เสื่อมเสียกาลังองชาเรียลแงในเรื่องเลี้ยตนทาให้เสื่อมเสียสุดคุณคนอื่นคืออยากจะให้ได้ตาของตนควคมสุขของตนซึ่งตนเขาใช้ว่าสุกนา น, นเรียกว่าเ่เลียนคนอื่นเรืองเยนในใจ ทั้งสิตใจเบื่เบียนแล้วมีการมาชันนะครอเบียดเบียนคนอื่นการมันต้องส่งออกนอกเพ่งออกนอกถ้ามีกามเกิดขี้นแล้วมันก็ส่งออกไปทิ้งนาฬิกาวางตรงหัวเข้านอนไม่เลยม่วไรแล้วกะ คอนซูมเซอร์ในเหตุนั้นคิดเซนคิดเซอร์ในเรื่องนั้นเลยเรียกว่าทินนิทัศกุจจารสุกุจจารุ่งซ้านต้นที่จ้นขงคิดในอยู่ปิสิติชาห ล, างลังเรยอังนใ นนอย่างไรนาะชีพร่างขายของเราจะเป็นไรรปรด้ไหมเกินไปเนาะสมปรารถนาแล้ไหมสมปรารถนาที่จะผจญถอยหน้าถอยหลังเปนเน้เรียวทอนีวันห้ามีในตัวของเราทุกคนกั่นื้วอนห้านั้น ดูดูเจ้าก็ไม่ได้ตท้ายเดียวถึงยังไง เ, เราก็รู้เรื่องรู้ไวคงละเมีหวนหาแต่ที่เ ข, ข้าถึงฌานสมาธิพักพอด้วยความสุขบายก็้าตาจอาลิตอันัเรียกว่า เข้าพักผ่อนผิดอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีการพักผ่อนก็เลยเบือดร้อนูุ่นวายเป็เทุกข์ใจแต่เมื่อเข้าถึงสมาธิละมือก่อนแล้วเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌานก็ตามเดีเข้าถึงวัฏจักรก็ตามเดียแนวพักพอ่อน เนียกว่าได้วความสุขในชีวิตที่อยู่ในโลกอ น, น, นี้เรียกว่ากามาโลกคือมันเพลินลอยอยู่คออยู่ในโลกนั้นมันดีโมเมลอ น, นี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดก็เกิดในกามาโลกเรียกว่าอยู่ในกามภูมิ ตัววิเวหเราทั้งเมดเป็นบ่อกเกิดทา่งการมัจเรศเป็นสาเหตุเศร้าหมองจิตใจพุ่งซ้ำอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เ็เรียวข า, าม้อหัเร้อยคออยู่ตรงนี้ในจ่าจิตกิชาติเดือดแอนทัน เมื่อเราละกามจัมพะเป็นต้นแล้วนหัาเข้าก็สงบเป็นชานก็ดีเป็นสมาธิก็ ด, กดีพักถอนชั่วครู่หนึ่งคณะหนึ่งกระดังขมสุขขมสบายดีกว่ามีอายุกังเก้าปีสิปียี่สิบสามสิบปียะไรต่าง ไม่จะเกิดงวันตายไม่มีการพักผ่อนเลยแต่งตนในรูกลักษาใจของตนในรักตัวนน ต, ว น, น, ตว น, นมาเนตนของตัวอูนว่าอยู่ตลอดคาในดาทุกซึ้งทุกส่วนตัวของเราตาหูหมูกมีกาย เป็นภัยอันตรายแกสมาธิเป็นภพยอันตรายแกติตัจที่เห็นน่ามีความสุขสบายเพราะเหตุเที่อไม่เข้าใจตาจริงหุ่มหลงตารจริงๆในตาก็สายสงสายไปดูโลกวัตถุภายนอกสารพัด รักถูกทั้งสัวมดไม่ว่ลูกผูหลูอผลไม้ว่าผนไม่ภูเขาว่าสิ่งพุดสวยงดงามาแล้วต่างที่เห็นเนตาเป็นลูกเห็นเนตาแล้วนำมาผลคือนำมาบำลุงบำเลิศให้ใจนี้แหละให้ส่งไปตาม ในที่คงทื่ใดไม่ว่านินดีในกรามคุณหา้าไม่หูไม่ยินเสียงอะไรก่าเสียงพระอะไรพระเสียงพระสร ม, มังบวมลงบวมเลยเสียงไะไพระก็มาเดือดร้อนหุ่นวายไม่อยาได้ยินมันก็หากได้ยินยนี่นันไม่ฟังก็ได้ยิน เกิดให้เกิดลำคานไม่เกิดรุนหนวายไม่มีหัวชัว่วเป็นไทยจจใจจิตใจมีแกมโอถูกกิน่นเหม็นกลิ่นหอมถ้าผัดทุกอย่างแกมโอมปิดไม่ได้ปิดจะไม่อมหายใจมันก็ตาซะนั่นที ตาและหูยังพอปิดใจบ้างควรจะหมูกปิดไม่ได้เลยนกักขอเขอาเลื่อนสมุกสูอบออกสูบเ ข, ขา้าอย่างนั้นทั้งมินและหอมพอใจและหอใจกะทับกะสายวิ่นลอยอยู่สักจิงเท่างหายเท่านั้นเป็นภยยัยอันตราย จะจิตใจอย่างยิ่งลื่นเป็นบางข้างบางข้าวเมื่อเรารับอาหารและทานอาหารในรสชาติแต่ละต่างจึงคอยสากฏถิกเสียงหวานเปลี่ยวและนกขวนมาให้จิตใจอยู่นิ่งในสัมผัสทางกาย เงินล้านออนแสงอเงี้ยพอสรมผัสทุกอย่างถูกทุกเมือ่อแต่หากว่าถูกก็เหมือนเขาไม่ถูกเพราะไม่ค่อยจะรู้สึกตัวไม่ค่อยจะรู้ใจฉะนั้นเวลาเว้นวางบ้างเอาไว้ดวิว่าทั้งหลายเราไม่เป็นบ่อกเกิดของ กิเสกามไม่หนีจากพุทธิชนินโรโธตพานิไม่หนีจากการรมะคุณห่ไม่หนีไม่มนน ห, มหมนีจากนิวนหรห่ากรรมะคุณห่าเท่านี้จากนิวรห่กามคุณไม่หละตัวนิวรห่าพระพุทธเจ้าท่านก็ชง ผู้ที่อยู่ในกาลทเกิดกระโจนให้สติทั้งหมดเงนดีกับลูกถ้าหากว่าคนไม่มีความพอใจเงินดีกับลูกก็ไ ม, ม่ทำบุญพินามไม่สร้างกุศลเพราะอยากจะลูก ส, สวยๆเขจะได้ลูกางามๆตัวของเราก็จะได้ลูกงาม ให้สวยสงเกตงาเป็นทีน่าจเจริญเพลินใจนะงี้ยเลยเป็นี่ร่อให้สานถึสงสานพิษพุมอยากฟังเสียงพาะพะก็ทำบนสนฐานากาธนาเสียงพระให้ทานเสียงควานำพัดพงเ้อต่างๆ ดูเทวทสาวสถานต่างเป็นเครื่องบําลงอมเลิศที่เราจะได้ชิ้นส่วนนั้นนาคโคตข้างนาจึงต้องบังหุงอานนั้นทามงานนั้นทำบุญนั้นกลิ่นก็อยากได้ของหอมในชาลูกสถานะส์เขาอยากเด้กนของหอมนั้น รสชาสิ่นศักดิสิทก็ต้องการอนั้นกล้่นหอมนั้นรสเขาต้องการาการสอร่อยอยากจะให้รสอะไรๆทํำบนทางขวะจะให้เสียนอย่างนั้นได้นีสถึงตอบแทนอนั้นโภทพะสัมภาษณ์เกลากล้งนิ่ม น, นวน ให้ทำนั้นเหมือนกันนืที่จะทำบุญสนทานท้่ยซสร้างกองการกุศลทัห้หลายที่ว่ามาได้ก็เพราะเาาหตุกาตนาดูเจ้าทั้งหมเป็นเชยว่านคนทำบุญท น, นั้นดีกว่าทำบาปทำบาป ให้เป็นประโยชน์แก่ตนคนอื่นให้็นตกิดเกีต่มเสื่อมเสียดเดือนตอ น, น, น, น, ตอนทาควาชั่วให้ได้รับจะได้รับความชั่วนะั้นตอบแทนเเดียวกับบุน <c oughs> และกรดเบียรคนอื่นด้วยทำคนอื่นให้เสียด้วยทนคนอื่นให้เสียห่างท่านชมเชยสนับสนุน เป็นผู้ลกกสวยลกงามสินหอมด้วยักกาดเลือดกัดยังไม่นาำทั้งยังชมเชยกัไม่เชิ่มในครอบครัวหรือบ้านเรือนสร้างคาลวาประกอด้วยคุณงามความดีฟ้องร้องสามชีจนนั่งหนึ่งเสือดี๋ ให้อุตระเสรีภาพแก่กันและกันอันนั้นหต่านี้เป็นต น, ท, น, ท, นท่านกระทมเชอญสนั่นเชิญท่านให้สอนอีกสักอยู่ของคารวะมีบทพรนยาสามีต้องสองสองสามัวิ่งกันแล้วกันให้นับความสุข พระโลกอันนี้มังเดือดเดืยนขึ้นกันด้วกันเหต น, นัน้นตราเากความเบือดเดือขึ้นเป็นเมตตาตายในสองสองรามชีวิตเ่งกันงล้กันนั่นเป็นเหตุี่ยมาซึ่งความที่อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้แนละ้วมันม่ที่ไหนจะไม่ถะลอกกัน ลักแสนลักหวองแสนแสนแสน ห, ห้องแสนไม่ว่าต้องมีทะลอะ ก, กันจะล่ร่ำไปไม่ว่าต้องมีวัดทงเถียนอี้่ร่ำไปเพราะใจอนันมันไม่เป็นสุขใจอนันนัมันมีสิเบตมีู่ใจอนันเมื่อมีสิเบตจะต่างคนต่างมีสิเตจะหามหันเข้าใส่กันทันที่ คนทะเลาเกิดเปงจากอันนี้เกิดจากสีเหรนั้นรวมครัวแม่ว่ะการไม่อีเหเ่ตัวเดียวไั้เลยเป็นเตศถ้าสะเอาว่าของคดีเห็นไหมพระเจ้าเนี่ยว่าเมื่อมีคระมีอยู่ในครวภ์จึงต้องอดทนสู้ด้วยความเพียรพินงามอดขด ทนแร้ไม่มีการทละเบาแวงแล้วไม่มีการเดือดเดือ น, นทั้การในการหรือว่าทุ่งเสียงทั้งการในกรฉันชอบว่ามีคมสุกเรื่องทำทั้งหลายมีทั้งหยาบและละเอียดกเดือไ น, น, นี่ยหยาบกันเดียวนี่ละเอียดกันเดือดอะเนี่ย คือกามืคุณห้ามันอบพอดีไอ้เรืดคือกษามอคุณห้านั่นแหละงดเว้นจากนิ ร, รณห้านั่นแหละกษกามคุณห้ า, า, มณามนะย า, าคืนิวรณห้าคมันแล้เรื่องก็คือละนิรห้าทผลทิ้ช า, าสมาที่รบาดก็ต้ตต น, น แค่ที่จริงแล้วท่านพูดถึงเรื่องฌานนิวรธาเป็นเรื่องคิดการของฌานพูดถึงเรื่องสมาธิไม่มีการคิกกรกกาาดกันปุบาสโสปุบาสุกาสมาหิกรณเป็นคารวาก็รายมักเลยคุณ ท่านไม่ห่าโซดาสีสาคานะคะอยู่มีครอบครัวอยู่ทั้งนั้นผู้หบวชเนี่ยจะดูจะารณาซ้ำอีกจะทำให้ทิ้งมั้งจะทำให้ทิ้งคนถ้าได้ยินเป็นอย่างนั้นเพราะสมาธิเรียกว่าต่อสูง ชาดเลือดก็หลบเข้าไปพักพ่อรหลบไม่ได้เลยในต่อสูงจะหลบไม่ได้สิการนิ่งเขาไปอยู่ดึ่งมัสนส่งงไม่ได้เพราะท้ายก็มีปัญหาก็กวนส่วนสมาธิไห น, นไม่เป็นอย่างนั้นต้องต่อสู้ปากมาทุกด้านทุกทาง จนกร่ทั่งตายหมดตายหมดแต่หักตรงหมดจนไม่มีอะไรเหล้วรก็เข้าสมาธิได้ขนนีมันแตกกันตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นคือม่มีจากโรกก็จะต้องต่งสู่โลก หนีจากโลกต้องต่อสู้ถ้าต่อสู้ไม่ได้ก็ยอมแพ้ต้องพงว่าอยู่ในโลกในี้แง่งแมงไปซะหลยชาญก็สมาธิมันแตกกันตรงนี้เอาละชานี่สมาธิจะไม่ต้องละเราไม่ต้องพูดเทือกพูดถึงจรสิ่งใดที่มันมาคัดคาม จะต้องถากถางจะต้องฟาดฟันท่านเรื่องเรียกว่านี่วันนี้เครื่องสีกันมันต้องถากถางต้องสีกันนี่วันนี้ไม่ลบลมทัดทางขวางทางเราเล่นไปทั้งอื่นเสียมันก็ขวางมันล้าไปใครมาจะต้องเล่นขวางอย่างนั้นล้าไป เราถางเสียเราฟันออกเสียรือออกเสียให้มันตียนเยินซะแล้วก็เดินในยช่องส่วนปันอาทิจะต้องทนน้นเหมือนกันมาละอธิตยปายกันี้ดนละ รือสมาธิแปลว่าทาความสงบสงบมีสองอย่างเมื่อสงบนิ่งแน้วเข้าไปโดยใช้คำปฏิกรรมกำหนดให้อยู่กับคำบริกรรมจะกุโทโธรุโธแล้วนาป่าสตาิกร่าง ให้อยู่ในที่นั้นกิตใจแน่แนนนนวแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวในพุทโธนั่นอ่ะหรือในอนาปานสติแน่วแน่แน่เดียวที่ก็จะรั่ววูฟ่เข้าไปจนหายจากพุทโธหรือหายจากอนาปานสติ เงียบไปบางทีอาจจะไม่รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวอยู่ว่ามันเงียบมันว่ามันจะงกเย็นพอใจนินดีกับความสุขอันนั้นอันนั้นอย่างนึ่งเขเรียกว่าฌาน อีกอย่างหนึ่งทั้างสติกำหนดจิตจคิดคุนึกนี่แหะจะภาวนาพุโทโธหรือว่อนาปาสติกระดับใภาวนาพุโทโธอนาปาสติทั้งจิตสติกำหนดจิตเห็นอาการของจิต มันคิดนึกสงสายในในทางได้สรู้จนกระทั่งรู้เท่ารู้ตัวทุกขณะรู้ก่อนมันเกิดไม่ใช่รู้แต่มันเกิดแล้วต้องเกิดรู้ <c oughs> รู้ไม่นจะจิะดอารมณ์อะไรมันจะไปผูกพันในอารมณ์อะไรคนเรามัน มีอารมณ์ร้อยแสดทันตกา v i t a m i n น n ่เหรอผลพัด์แต่มันจะเกิดเกิดในที่นั่นน่ะนิดหน่อยๆมันเกิดที่ไหนที่ไหนรูน้เท่ารู้เรื่องอยู่อย่างนี้บางทีคิดค้นเหตุนั้นเกิดเ้นมานะั้นคิดคน้นไปจนสุดสาย มันคิดอย่างละมันส่งไปในเสียงมันต้องไม่พุทโธไม่ต้องภาวนาพุดโธก็ได้เมื่อนาปารตีไม่ต้องเพื่จะหน่าก็ไดเสียงว่าเกิดจากอะไรมันมีประโยชน์อะไรแล้วมันเป็นภัยเป็นโทษอย่างไงมันให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง เสียงนั่นจนาจนกระทั่งเห็นเสียงนตามเป็นจริงคือมันเกิดจากวัตถุใดๆก่าทั้งสิงน่นชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือพร้อมทั้งสี่ดังเกิดขึ้นมาเป็นเสียงเราไปยึดเอาเสียงนั้นเป็นอ่ไร เนเป็นอารมณ์ของเราวิญญาณาังกระสั่งมันถอนจากอะไรมันไปยึดมันไปยึดผู้ไปยึดก็ไม่ไม่เป็นของจริงเสียงก็ไม่เป็นของจริงเป็นสัตว์เสียงผู้ไปยึดก็สัตว์จิตั้องปล่อยว่าไงให้ได้มันมีเรียกว่าสมาธิมันมีสัญญาแลงพร้อมกัน ครสบอย่างนี้เรียกว่าครับสมาธิครับสมาธินี้กันาหาราะจิตใจมันเนี้ยเ น, นี้ยเกิดความรู้ขึ้นมาถ้าสองอย่างนี้ให้เป็นไปด้วยกันมันหากเป็นเองมันจะลวงว่าเป็นช้านกับเป็นเองมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดอุบายสัญญาเอะไรต่างตามรู้ตามเห็น มันถ้าเป็นของมันเองขอแต่ว่าเราพูดคิดเจริญนานะเราพูดทนะํานอย่าท้อท้อทํ า, า, าทบารมีเกิดออกหากจะรู้โดยตนเองว่าอะไรเป็นนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเท่าไรหากรู้โดยตนเองมีประโยชน มันออกจากชามาแล้วมันว่างเปล่าคขว่างเปล่าของพุชุกขงใจมันใส่ะอาดพุทธสุดจะมันก็เหมือนกับน้ำจรงน้ำถ้ามันใสใสถ้าไม่นิ่งเหมัอนของเงาน้ำใสมันมนิ่ง ม, มัน้องไม่ค่อยมีเงาถ้ามันก็เพื่องอยู่แต่ไม่เกินเงาชาก็เชนนันเหมือนกัน คืองเงาคืปัญญาท่องเห็นสารพัด ท, ทุกอย่างเมื่ออกจากสมาธิไอ้เมื่อออกจากฌานาแล้วสมาธินี้เห็นไปด้วย